วันที่ห้าลาและเบื่อฉันตื่นตอนตีสี่ด้วยความฝืดฝืนตามเคยเอจะต้องฝืนไปอีกนานไหมเนี่ยนึกว่าสองสาวันคงชินแต่ไม่เห็นชินสถทียังต้องลุกทั้งโดนขี้ตาบทบังทัศนวิสัยอยู่นั่นแล้วให้กำลังใจตัวเองอีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่ทราบ